ตนเองเป็นผู้มีมรณะความแก่เป็นความตายเป็นธรรมดายังไงก็ตายเหมือนกันเถะไม่ฆ่าก็ยังตายเลยเนี่ยนะเมื่อต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้รู้ชัดเห็นโทษของสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าไอ้ความตายเป็นยังไงเนี่ยนะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าความตายนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสูญเสียอะไรบ้างเนี่ยนะอย่างสแสวงหาทุกอย่างเพื่อให้มีเสร็จแล้วก็ตายหนีจากไปเนี่ยนะเรียกว่าอะไรนะ กว่าจะได้สิ่งต่างๆมาก็ต้องตายหนีจากตายเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยแล้วคนที่ทําชั่วไว้เยอะๆเนี่ยรู้ไหมว่าตายแลย้วจะต้องรับอะไรต่อไปเนี่ยนะแม้เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่มีความปลอดภัยโดยประการทั้งปวงก็เห็นโทษในความตายเพราะฉะนั้นรู้รู้โทษของความตายสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมปลอดจากโยคะหมายความว่าปลอดภัยไม่ต้อง ตายอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยนะเราแวสแวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความตายอย่าลืมว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของอะชาติไม่เป็นธรรมที่ดับความเกิดอะพอาอชะาอชราก็แปลว่าเป็นธรรมที่ดับความตายอัพยอพยาทีอัพพยาทีเป็นธรรมที่ดับความเจ็บป่วยอะตัวนั้นแปล ว, ว่าดับน ะ, นะพระนิพพานนี่อมรณะแปล ว, ว่าธรรมที่ดับ ความตายหรือเป็นที่พ้นจากความตายแล้วก็ต่อไปอโศกังวีราชังเขมังอะโศกะเนี่ยนะเป็นธรรมที่ดับความโศกเป็นธรรมที่ไม่เศร้าโศกเพราะผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานแล้วดับความโศกตัวเองโศกเป็นธรรมดาล่ะรู้ชัดในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาสแสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความโศกหรือถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเลิกเศร้าโศ ก, กเกษมจากโยคะ เคยได้ยินไหมว่าพระ อ, อริยะสาวกทั้งหลายที่เห็นอริยสั์แล้วร้องให้กนตายมี่ไหมไม่มีเลยนะไม่เคยได้ยินนะเพราะอะไรเพราะท่านตรัสรูพ้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความโศกแม้พระโสดาบันร้องให้มนาะสามวันสามคืนก่อนตายนะี่เคยได้ยินไหมไม่มีเนี่ยนะไม่มีพระสกท า, าคามียิ่งไม่มีพระนาคามีด้วยยิ่งไม่ร้องเลยเนี่ยนะผนะ้าอาหารด้วยต้องปลอบใจคนที่มาดูคนตายเนี่ยนะนะสมมติถ้าผ้าอาหารจะปริณิพานเนี่ยอย่างพระนางโคจะมีปริณีพานใช่ไหม โอ้ยประชาชนมาร้องให้กันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผ่าหันผู้ที่จะตายต้องปลอบใจคนอยู่กันละกันน่ะแต่คนที่จะตายต้องปลอบใจคนอยู่เพราะอะไรเพราะผู้ที่เขาก่อนตายเขาเห็นพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับความตายแล้วจึงไม่ไม่โศกเนี่ยจึงไม่เศร้าโศกพราโนนเนี่ยท่านร้องให้ถึงพระพุทธเจ้าผู้จากปรินิพพานเนี่ยจริงแต่ถ้าตัวท่านจะตายจริงท่านไม่โศกนะถามว่าทาไม ก็เพราะท่านตรัสรู้รมเป็นที่พ้นจากความโศกแล้วท่านพระอริยะทั้งหลายนั้นถ้ารู้ว่าตัวจะตายจริงๆแล้วท่านไม่มีความโศกเพราะท่านมีสาระมีเกาะมีที่พึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเขาไฟจะไม่กระท่อมเนี่ยโดยที่ตัวเองสร้างปราสาทเสร็จแล้วเนี่ยข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างบริบูรณ์หมดเนี่ยและบอกไฟไม่กระทอมนี่จะเสียใจไหมคงไม่ร้องให้นะ่างนะุดหงน แม่เสดายก็ท่อมอยู่ด้วยกันมาตั้งหนะ้าหกสิบปีเยนะนะผุผุทั้งผุทั้งรั่วแต่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยจะเสียใจบ้างไหมบอกไ ม, ม่เสียใจหรอกเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนมีรองเท้าเก่าๆใส่แล้วก็ปวดปว ด, ปว ด, ปวดทั้งเจ็บทั้งปวดเนี่ยนะหนักก็หนักใหญ่ก็ใหญ่ใญช้แล้วก็ปวดยกเขาวปวดขาวปวดแขนไปหมดเลยเขามีคนเปลี่ยนบอกว่าแบบหายเจ็บปวดเป็นปิดทิ้งเนี่ยเราจะเสียใจไหมแม่รองเท้าคู่นี้เราใส่มาตั้งหลายสิบปีไม่เสียใจใช่ไหม เราถามมาทําไมเพราะสิ่งที่ดีกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าเพราะพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากความเกิดความป่วยความแก่แล้วก็ความตายเนี่ยนะท่านสุดท้ายบอกว่าตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้ว่านะเช่นชั่วเป็นธรรมดาก็รู้ว่าตัวเนี่ยชั่วอยู่มีตันหาเป็นธรรมดาก็รู้ว่ามีตันหาเป็นธรรมดามีมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมดาก็พอจะรู้ว่ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมดา รู้โทษของว่าไอ้ความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยมีโทษอย่างไรปัญหามีโทษอย่างไรมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมีโทษอย่างไรรู้โทษของความชั่วทางกายวาจาใจรู้โทษของปัญหารู้โทษของมิจฉาทิฏฐิก็แสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุจริตแสวงหาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอะนะดับทุจริตดับอะไร ดับตันหาแล้วก็ดับมิจฉาทิฏฐิหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายนี้แลเรียกว่าการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐแต่ก็อย่าลืมนะั้นถ้ายังแสวงหาก็แปลว่ายังไม่พบหาพบเร็วพบช้าอีกเรื่องหนึ่งแต่สําคัญที่สุดว่าแสวงหาอะไรหมายความว่าแสวงหาอะไรก็เหมือนว่าคนที่เข้าไปในตลาดตัวเองรู้ไหมว่าตัวเองต้องการไปซื้อ อะไรชันใดเนี่ยนะหรือว่าเออก็อดูไปเรื่อยๆแหละทั้งนั้นก็สแสวงหาการดูเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหนถ้าเราสแสวงหาการตรัสรู้อริยสัจนั้นนั้นก็แสดงว่ามีเป้าหมายเช่นกับพระพุทธเจ้าถ้าเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งละ่ะถ้าตั้งเป้าหมายเพื่อรูปเสียงเปลี่ยนรสและสัมผัสทั้งหลายอันนั้นก็สแสวงหาสิ่งที่มีชาติชารามรณะเป็นต้นเป็นธรรมดา สรุปว่าการสแสวงหามีสองอย่างนะสแสวงหาวัตตะกับสแสวงหาวิวัตตะสแสวงหาความเกิดแก่เจ็บตายกับสแสวงหาพระนิพพานที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายก็สําคัญว่าเป้าหมายที่ของเราเนะี่ยอยู่ที่ที่ไหนเนี่ยนะนะแต่ถ้ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วกุศลธรรมทั้งมวลที่เราเจริญน้อมไปเพื่อบรรลุมรรผลและนิพพานที่เรียกว่ากุศลทั้งปวงก็เป็นเช่นกับพ่อชองนะพ่อชองเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ พระนิพพานทั้งหลายนั่นเองนี้พระองค์ก็ตรัสเล่าให้ฟังว่ า, าพิสูน์ทั้งหลายแม้เราเนี่ยนะก็สแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่อริยมรรคคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะพระองค์ก็เคยสแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ตายเป็นต้นเหมือนกันนเนี่ยนะตอนหลังก็มาสแสวงหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระปัญจวัคคีย์อดีตพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยก่อนก่อนหน้านั้นท่านก็สแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายตอนหลังท่านก็มาเปลี่ยนสแสวงหาสิ่งที่ดับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตาย น, นั้นก็อยู่ที่การสแสวงหาว่าปกติตัวเองสแสวงหาอะไรปรองก็เล่าถึงประวัติของพระองค์เองว่าข้อ316รอกดูการพิสูจนทั้งหลายแม้เมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เนี่ยนะ ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังสแสวงหาสัพพัญญุตยานยังสแสวงหาการบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่นั้นน่ะตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นและนะก่อนหน้านั้นก็ยังต้องสแสวงหาอะไรนะสแสวงหาพบหาชาติถ้ายัง ถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตาสงสารก็แปลว่าอะไรก็ยังต้องเกิดอยู่ถ้ายังต้องเกิดอยู่นี่สิก็เคยแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมด า, านะเมื่อก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตนเองก็มีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานั่นและ ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นผูนท oui ้ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดายู่นั่นแหละก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตัวเองมีความโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดายู่นั่นแหละ ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเองก็ยังเศร้ามองด้วยสังกิเลสเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่เศร้ามองด้วยสังกิเลตเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละอันนี้แสดงว่าถ้าชาติไหนที่ยังไม่ตรัสรู้แปลว่ายังต้องสแสวงหาชาติชรามรณะเนี่ยถ้ายังไม่ตรัสรู้นะถ้าถ้ายังไม่มีอุปนิสัยพอจะบรรลุมรรคผลคนที่จะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยชื่อสแสวงหามรรคผลนิพพานมากกว่าสแสวงหา ชาติชรามรณะคนที่ไม่ได้ตรัสรู้ซากทีหนึ่งก็แปลว่าสแสวงหาชาติชรามรณะมากกว่าสแสวงหานิพพานคิดกระถามง่ายๆว่า เ, าเราจะบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเราหามรรคผลนิพพานหรือว่าสแสวงหาชาติชรามรณะกันแน่กั่นะถ้าตอบอย่างไม่เกรงใจเลยนะเชื่อไหมว่าหาอะไรหานิพพานหรือหาชาติชรามรณะ เราที่ถึงนิพพานเนี่ น, นึกถึงสีเสียงเปลียรถมากกว่ากันอ่นะนึกถึงสิ่งนึกถึงชรามรณะกับนึกถึงความดับชราและมรณะนึกถึงอันไหนมากกว่ากันอ่นะนึกถึงชรามรณะมากกว่าเชื่อเหรออ่นะอย่าหลอกกันเลยอ่างั้นอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่านะคือคือไอ้นึกสมมติอเรานึกถึงอะนะนึกถึงความเกิดปับ๊บนึกถึงพระนิพพานที่ดับความเกิดเลยไหมพูดถึงมันเกิดปั๊บเนี่ยนะ นึกถึงพระนิพพานที่ดับความเกิดเลยไหมบางทีเนี่ยจัดงานวันเกิดเสร็จไม่รู้กี่รอบแล้วยังนึกไม่ได้ว่า น, นิพพานเนี่ยดับความเกิดเลยบางทีใช่ไหมเนี่ยไปเยี่ยมคนที่แบบไปเจ็บไปป่วยได้ข่าวว่าคนนั้นไม่ค่อยสบายปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นเนี่ยนะไม่สบายมากไม่สบายน้อยก็ช่างเรานึกถึงนิพพานที่ดับความเจ็บป่วยเหล่านั้นไหมแทบไม่นึกเลยเราพูดถึงวัยวุฒิของคนทั้งหลายอายุ50าสิบหกสิบเจิปบเกบร้อยก็ช่างเถอะแต่น้อยมากที่จะพูดถึงนิพพานที่ดับความความแก่เหล่านั้น เราพูดถึงงานศพเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะพูดถึงโอ้นั่นก็ตายนั่นก็ตายนี่ก็ตายที่นั่นก็ตายตายเมือ่อนั่นเมือ่อนี่งานศพ ค, คนนั้นคนนี้เราพูดถึงคําว่านิพานที่ดับความตายอันนั้นบ้างไหมแทบไม่มีอยู่ในหัวใจเลยนะเมื่อไหรจะพูดทิกีกาไมาร่รู้ถ้าไม่ได้ยินคําสอนแล้วก็หมดสิ้นเลยนะแทบไม่อยู่ในคิดเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ในความคิดแม้แต่วัดเดียวขึ้นมาเลยโอ้มันมีนิพานที่ดับความเกิดความแก่ความป่วยแล้วก็ความตายหรือ คนอื่นเขาเราได้ข่าวว่าเสียใจได้ยินเรื่องคนเสียใจเขาคนนั้นไม่สบายใจคนนี้เครียดคนนั้นหงุดหงิดคนนี้รำคาญคนนั้นขี้บ่นจุกจิกจู้จี้เป็นต้นเนี่ยที่กำลังถูกโทสะครอบงําเนี่ยนึกถึงว่าถ้าเขาตรัสรู้นิพพานเขาพ้นจากโศกเหล่านี้เลยแน่นอนเราคิดถึงอย่างนี้มั้งไหมแทบไม่นึกเลยมันนะควรจะบรรลุนิพพานหรือควรจะโศกเอ้าก็ควรจะโศกละมั้งนะคิดถึงอันไหนมากเราจะได้อันนั้นแหละสมพรแก่ใจอย่งนั้นเนาะเอ้าใจตั้งไว้เพื่อความเกิดมันก็ได้เกิด ก็บอกไม่ได้ปรารถนานะอันนี้อาศัยคําสอนหรอกแต่เอาเข้าจริงๆนะถ้าเช็คตัวเองแบบมันสมควรนะถ้าพูดแบบภาษาค้าขายบอกสมควรแล้วที่จะขาดทุนเนี่ยนะนะก็ดูขาดได้รับรายจ่ายดูวิธีการบริหารจัดการโอ้ยเจ๊งอีกนานเนี่ยนะอย่างเงี้ยเจ๊งอีกนานอยงนั้นหมดตัวแน่นอนเนี่ยยังไม่ถูกฟ้องล้มละลายไปเกิดในอบาลก็ดีแล้วเนี่ยนะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าวันไหนไม่รู้แต่บา ง, งั้นเถอะเพราะวันขณะโดยสภาพจิตของเราจริงๆแล้วเราฝ่ายอะไรเราต้องการอะไร ถ้าไม่หลอกตัวเองรู้เลยว่าสแสวงหาชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมานัตเลอุปายาแม้เขาบอกว่าเ้ยนี่เราฝ่ายธรรมะน่าเราชอบศึกษาธรรมะธรรมะของคุณนี่คือสีหรือคือเสียงเอานึกถึงเสียงที่คนที่บอกเออนี่ยเขาพูดกําลังพูดธรรมะอยู่นะบางทีนึกถึงเสียงนะนึกถึงบรรยากาศห้องเรียนมันก็สีเสียงโพธพภะเป็นต้นมันก็ไม่ใช่ตัวธรรมที่ดับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถึงจะใช้คาว่าธรรมะเขช่างเถอะ จะใช้ศัพิจิตที่สดาลขนาดไหนก็ช่างมันก็คือสังขารธรรมสังคตะธรรมไม่ใช่ธรรมเป็นที่พ้นจากชาติชาราและมรณะเพราะโดยมากคนคิดถึงชาติชารามรณะแล้วจะไปไหนอะ่ะก็ไปชาติชารามรณะเนี่ยนะจะพ้นชาติชาติชารามรณะได้อย่างไรก็ต้องคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามจะบอกว่าแล้วมันคิดได้ยังไงใช่ไหม ถ้าไม่อาศัยคําสอนเนี่ยมันคิดไม่ได้หรอกเชื่อเธอไม่ทำมังสารานังฆ่าฉามิให้แม่นแม่นเลยเนี่ยนะไม่จําให้แม่นๆ่นเลยเนี่ยไม่เอาจริงเข้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแทบไม่ก็บอกว่านิพานเป็นธรรมที่สงบประณีตลึกซึ้งที่คนไม่เคยรู้โดยที่สุดแม้แต่ฝันบางอย่างนั้นไม่เคยไปยังเคยฝันไปใช่ไหมยังบางอย่างยังพอฝันได้แต่นิพานเนี่ยใครเคยฝันมาเห็นนิพานอส่งนิพานไม่ใช่สีเมื่อคุณเห็นสี กางคนบอกนิพพานนี่มันโล่งๆอันนั้นมันอากาศไม่ใช่นิพพานเน่ยนะพูดอะไรมันก็ไม่ถูกสักอย่างหนึ่งนะนะบอกโอ้นิพพานมันต้องอยังงั้นสิสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงสีเพลสีนินสีจินดาสีอะไรก็ช่างแต่มันไม่ใช่สักอย่างแหละเพราะสิ่งที่มันก็บอกบางคนก็บอกอชอบอธิบายว่าโลง่งมันว่างมันก็อากาศสิคุณก็หลุดเนี่ยนะให้เขา ขึ้นจรวดแล้วก็เอาไปทิ้งไว้นอกจักราวาลเพื่อจะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามันโล่งๆว่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในวิสัยของคนทั้งหลายที่จะคิดได้แต่ถาม่าแล้วคนทั้งหลายที่เขาบอกว่าเขาปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานทํำยังไงเขา ร, รู้แล้วว่าความเกิดเป็นทำยไงสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาคืออะไรแล้วเห็นโทษไหมแล้วปรารถนาสิ่งที่ดับความเกิดจริงไหม มันก็แบ่งออกเป็นอย่างเงี้ยนะหนึ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดาแล้วสองรู้โทษของสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดาแล้วคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามมั้งไหมว่าสิ่งที่ดับความเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องมาค่อยๆเพิกถอนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างว่าคนที่ปวดหัวเกิดมาปวดหัวตลอดเวลาเนี่ยนะโทษของโกรคปวดหัวมคืออะไรหายจริงได้ไหมโรคอันนี้ไม่ใช่คิดถึงหัวที่ไหนอีกก็ไม่รู้นะตัวเองเป็นโรคปวดหัวอยู่ธรรมดาปวดหัวมากปวดนึบหนบแล้วคิดถึงหัว หัวอะไรหัวโขนหัวอะไรก็ได้ที่มันไม่ปวดเออถ้าหัวนั้นน่าจะดีมันไม่ปวดถ้าอย่างนี้จะบรรลุนิพพานได้ไหม